เรื่องการวินิจฉัยอธิกรณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือหลวงตามันนิมมะโลอยู่วัดวิริยะพลอำเภอเ ต, อต่างอยจังหวัดสกล น, นครเป็นศิษย์องค์หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีมีชาวสกล น, นครนับถือมีมนมารับสังฆทานโดยพักที่วัดป่าสุทาวาสเป็นประจา ราวหนึ่งเธอด่วนจะกลับวัดฉันเสร็จแล้วนำโยมไปเอาปัจจัยส่วนแบ่งกับพระขาวคนหนึ่งที่เป็นวั ย, ยาวัจกรประที่รับนิมนต์มีเจ็ดรูปได้ไปรับปัจจัยปรากฏว่าหายไปส่วนหนึ่งไม่ครบพระถามพระขาวเธอบอกว่าหลวงตามันเอาไปสองส่วนอธิกรณ์ก็เกิดขึ้นมีหลักฐานพยานเพียงพอ คณะสงฆ์จังหวัดตัดสินว่าหลวงตามันละเมิด อ, อธิตตาทานสิคาบทจำนวนเงินที่ได้รูปละสองบาทห้าสิบสองส่วนรวมเป็นห้าบาทเธอปฏิเสธแต่หักล้างหลักฐานไม่พอคณะสงฆ์ตัดสินวินิจฉัยให้เธอศึกเธอบอกหากจะให้ศึกกรุณาพาไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นก่อนคณะสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าคณะจังหวัด จึงพาหลวงตามันไปวัดป่าบ้านหนองผือพอไปถึงกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดยื่นเอกสารถวายท่านพระอาจารย์ท่านว่าวางเว้นนั้นก่อนถามว่าเรื่องอะไรเจ้าคณะจังหวัดกราบเรียนว่าเรื่องหลวงตามันละเมิด อ, อธินาทานสิกขาบทคณะวินิจฉัยให้เธอศึกเธออยากให้พระอาจารย์วินิจฉัยอีก ท่านพระอาจารย์มั่นถามว่าแล้วจะเชื่อผมไหมผ่ากันตอบว่าเชื่อถ้าอย่างนั้นเอาเอกสารไปเผาไฟเดี๋ยวนี้เพราะตัวหนังสือเล็กไปเอาตัวหนังสือใหญ่คือพวกเรามาวินิจฉัยกันท่านว่าเจ้าคณะจังหวัดจึงจัดการเผาทันทีท่านพระอาจารย์ว่าอันเงินนั้นหลวงตามันไม่ได้เอาไปสองส่วน เอาไปส่วนเดียวคนที่เอาเงินนั้นไปคือคนที่อยู่ใกล้เงินใครอยู่ใกล้คนนั้นเอาตาผักขาวคนหนึ่งซึ่งนั่งนิ่งอยู่นั้นก็สารภาพขึ้นต่อหน้าสงฆ์ที่ท่านพระอาจารย์เป็นประธานท่านพระอาจารย์ว่านั่นเห็นไหมตัวหนังสือใหญ่แจ้งจางปางปานเห็นเสือกลางวันไลยพาดกรอนเต็มตัวท่านว่า หลวงตามันเธอเป็นพระมีศีลถึงเจ้าคณะจังหวัดก็ดีท่านมหาทองสุขก็ดีคณะสงฆ์ก็ดีทําอะไรให้รอบคอกจะทําลายพระมีศีลโดยไม่รู้ตัวจะไปตกนรกเปล่าเปล่าไม่เสียดายหรือประพฤติพรหมจรรย์มานานหวังมรรคผลนิพพานต้องมาตกนรกมันไม่คุ้มค่ากันอย่าไปทําลายพระมีศีลท่านว่า เรื่องก็สงบลงด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นตัวอย่างแก่คณะพระวินัยทรต่อไปหลวงตามันก็พ้นคดีไปเป็นพระบริสุทธิ์ที่ได้เห็นได้ฟังท่านพระอาจารย์มันวินิจฉัยอธิกรณ์มีครั้งนี้ครั้งเดียว